สมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้จริงหรือนักสมาธิในปัจจุบันเขาชอบพูดสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้เขาว่าสมะถะกรรมฐานมันไม่เกิดปัญญาต้องวิปัสสนาจึงจะเกิดปัญญาอย่าไปเชื่อเด้อพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตสมถะเป็นอย่างไรยอดสูงสุดสุดยอดของสมถะคือจิตสงบนิ่งสว่างมีแต่จิตดวงเดียวร่างกายตัวตนหายไปหมดในจักรวาลนี้เหมือนเหมือนกับมีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นลอยเด่นสว่างสบายอยู่แต่ในช่วงนั้นแหละ กระแสจิตของพระพุทธเจ้านี่แปล่งรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทําให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกะวิถูรู้พบเบื้องต่ําคือนรกเป็นต้นรู้พบเบื้องกลางคือมนุษย์รู้พบเบื้องสูงคือเทวดาพระองค์รู้นรกมนุษย์เทวดาพร้อมในขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้เป็นโลกะวิถู พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกะวิถูในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจิตสมถะไม่เกิดความรู้นี่อย่าไปเชื่อตราหน้าได้เลยว่าภาวนาไม่เป็นเป็นครูฉันไม่ได้เมื่อนักปริยัตและนักปฏิบัติมาพบกัน หลวงพ่อไปเทศน์สนามหลวงครั้งแรกเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่มันมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะที่จิตสงบถึงขั้นละเอียดร่างกายตัวตนหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยัยรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้นในช่วงนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกะวิทู ผู้รู้แจ้งโลกพอเทศจบแล้วมานั่งท่านเจ้าคุณท่านหนึ่งกับเจ้าคุณอะไรที่ไปอยู่อินเดียเข้ามาคุยด้วยท่านบอกว่าความเข้าใจเรื่องธรรมะของนักปริยัติกับนักปฏิบัติไม่เหมือนกันเนาะท่านว่าหลวงพ่อก็บอกว่าตามหลักวิชาการมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ที่เราเข้าใจแตกต่างกันก็เพราะว่าคนหนึ่งรู้ขาดคนหนึ่งรู้เกิน ความรู้พอดีมันไม่มีมันจึงแตกต่างกันทั้งสองท่านก็เงียบกริบเลยไม่พูดอะไรต่อไปอีกท่านเปรียบเทียบเอาไว้ผู้รู้ปริยัติแต่ไม่รู้ปฏิบัติก็เหมือนกับคนเลี้ยงโคคนเป็นลูกจ้างเลี้ยงโคเขาตอนเช้าก็รับเอาโคไปเที่ยวหากินห ญ, ญา้าตอนเย็นก็ต้อนเข้าคอกให้เขาก็รับได้แต่ค่าจ้าง แต่หาได้มีโอกาสดื่มรสของนมโคที่อร็จอร่อยไหมทีนี้ผู้ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจิตได้บรรลุธรรมก็เหมือนเหมือนกับเจ้าของโคซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะรีดนมโคกินเป็นอาหารทุกวัน